สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วนะครับกับผมานายทหกรคนชอบเล่าหลังจากที่ล่องไพรได้จบลงทีนี้ก็มาถึงคิวเรื่องเล่าจากทางบ้านซึ่งผมก็จะพยายามทยอยจัดไปตามคิวนะครับรับรองว่าทุกเรื่องที่ท่านสมาชิกได้ส่งมาจะถูกนำมาถ่ายทอดแน่นอนครับแต่ในคลิปนี้ขอยกเรื่องราวจากท่านสมาชิกที่ใช้นามว่าหมอปลามาอีกสักเรื่องนะครับรับรองว่าไม่มีการทุบสารเด็ดขาดอ่ะล้อเล่นครับ แต่ว่าเรื่องราวที่คุณหมอปลาได้ก ร, รุณาแชร์มานี้เป็นเรื่องราวของคุณตากับเพื่อนของคุณตาของหมอปลาเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้าป่าด้วยกันซึ่งเนื้อเรื่องและเนื้อหาจะเป็นยังไงเขาเชิญรับฟังครับตาผมบอกว่าหมูป่านั้นมีอยู่2 อ, อย่างอย่างที่1คือหมูป่าที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อใช้ในการขายเป็นหมูป่าที่เลี้ยงไว้เพื่อเศรษฐกิจตามฟาร์มเพาะพันธุ์ทำค้าขายอะไรประมาณนี้และอย่างที่2ก็คือหมูป่าที่อยู่ในป่าจริงๆ เป็นหมูป่าตามธรรมชาติไม่ได้ถูกเลี้ยงไว้เกิดและโตในป่าโดยดารงชีวิตด้วยตัวมันเองเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2514ตาผมชื่อทิศและตาแพรวเพื่อนของแกได้เดินทางไป ร, ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ของลูกชายตาแพร่เนั่นแหละชื่อว่าสันนัสรนเป็นลูกชายของตาแพร่ก็เหมือนกับเป็นน้าของผมเนั่ยแหละเพราะตาแพร่กับตาผมนั้นเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็นับถือกันแบบเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน แลสันได้แต่งงานและย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่กรสิน์ก็สร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นจึงได้ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ก็เลยได้มาชวนตาแพรวกับตาผมให้ไปร่วมงานอันที่จริงก็มีญาติคนอื่นๆร่วมทางไปด้วยแต่ไม่ขอเอ่ยนามนะครับเพราะเยอะวันนั้นเมื่อเดินทางไปถึงก็พักผ่อนกันก่อนเพราะงานจะเริ่มในวันรุ่งขึ้นอ้องานนี้จัดขึ้นที่ภูผานนะครับเขตติดต่อใกล้ๆกับจังหวัดสกลนคร พอรุ่งเช้าทุกคนต่างก็ตื่นมาร่วมงานกันด้วยอาการอันเหนื่อยล้าอันเกิดจากการเดินทางแต่มันก็ไม่ได้มากมายไรนะ้นักอากาศวันนั้นสดใสกำลังดีแขกผู้มาร่วมงานก็มากมายก็คงเป็นญาติและคนที่รู้จักของเมียณสันนั่นแหละทุกคนต่างมีมีดไมตรีจนตามผมได้ไปสังเกตเห็นชายคนหนึ่งรูปร่างสูงดูไม่บึกบึนแต่ก็ดูไม่ใช่คนหย่อยแยะท่าทางแข็งแรงพอสมควรมีคนตามหลังมาด้วยอีกสองคนตรงท้นแขนมีแผลมากมาย ใบหน้าตรงโหนกแก้มยาวไปจนถึงหน้าผากมีรอยแผลลึกเหมือนโดนเล็บเสือยังไงย่างนั้นไม่มีผิดด้วยความสงสัยตาผมก็เลยสกิดแต่แพรวแล้วก็เอ่ยถามว่าเฮ้ยแพรวมึงดูไอ้คนนี้สิแต่แพรวจึงได้หันไปมองแล้วบอกว่ามันไปฟัดกับตัวใครมาวะเละเทะขนาดนี้หรือไปเหยียบตีนใครหรือเปล่าก็ถึงได้อ่วนนุ่มขนาดนี้ตาผมแกก็บอกว่ารอยมันไม่ได้เหมือนกับรอยที่โดยกระทำจากคนนะน่าจะเป็นมีดก็ไม่ใช่เหมือนรอยของสัตว์มากกว่าแต่ช่างเหอะ จังหวะนั้นนสันก็ได้เดินเข้ามาแต่แพร่แกก็เลยถามว่าไอ้สันผู้ชายคนนั้นใครวะอ๋อลุงแก้วน่ะอายุน่าจะแก่กว่าพ่อสักสิปีเห็นจะได้เห็นเมียผมเล่าให้ฟังว่าแกเป็นทหารเก่านสันตอบแต่แพร่แกก็เลยว่าแล้วลุงแกไปฟัดกับอะไรมาวะน่ะอ๋อแกก็ชอบเข้าป่าแบบพ่อกับตะทิดนั่นแหละแต่เห็นเขาเล่ากันว่าแกไปเจอหมูป่าเล่นงานเอาเล่นเอารูปน้องทหารของแกสองาคนต้องเจ็บหนักเลยมีคนนึงถึงกับขาหักเอ็นไหวหน้าขาด อีกคนกระดูกซี่โครงหักสมท่อนอีกคนก็หาปละร้าหักกับกระดูกหัวไหล่ร้าวส่วนตัวแกก็สภาพอย่างที่เห็นนี่แหละพ่อถามทําไมแต่แพร่ก็บอกว่าปล่ากูถามเฉยเห็นแผลแกเต็มตัวเลยนสันแกก็ยันบอกต่อว่านี่อย่างน้อยนะพ่อจะแกถอดเสื้อออกจะสยองกว่านี้อีก <c oughs> พูดจบนสันก็หวัวเราะแล้วก็เดินจากไปแล้วตาผมแกก็ว่าหมูบ้าเลยวะทําคนได้ขนาดนั้นทหารตั้ง4ี่ห้าคนเอาไม่อยู่หรอวะแต่แพร่แกก็บอกว่า มันคงไม่สิบปุ๋ธรรมดาหรอกมั้งทิดหลังจากงานเสร็จสิ้นก็ได้มีการกินเลี้ยงสังสรรค์กันชายคนที่ว่ามีแผลนั้นก็เดินเข้ามาทางตาผมและตาแพร่พร้อมกับนัสรณ์นัสรณ์ก็เอ่ยขึ้นว่าลุงแก้วครับนี่แพร่พ่อผมส่วนนั่นลุงทิดเป็นเพื่อนพ่อผมครับตาผมและตะแพร่ก็ยกมือไหว้าตามภาษาของผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าจากนั้นลุงแก้วก็ได้ถามตะแพร่ ว, ว่ามาจากที่ไหนล่ะตาแพร่ก็ตอบว่ามาจากขอนแก่นจ้าลุงแก้วก็หัวเราะเบา ๆ, ๆแล้วก็พูดว่าขอร่วมบวงด้วยคนนะและทุกคนก็ร่่่ววมมนนัังงดืก ก็สนทนากันไปหลายเรื่องจนไปถึงเรื่องป่าและหลังจากที่ดื่มกันพอได้ที่แต่แพร่จึงได้เอ่ยถามลุงแก้วว่าแขนกับหน้าลุงไปโดนอะไรมาจังหวะนั้นเองตาผมก็ได้ส ก, กิทตะแพร่เป็นเชิงทํานองว่ามีมารยาทในการถามหน่อยลุงแก้วในทหารเก่าก็ตอบขึ้นด้วยน้ําเสียงที่หวาดสยองเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ3เดือนที่แล้วนี่เองตาผมก็บอกว่าไม่ต้องเล่าก็ได้ครับลุงแก้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกข้าก็อยากเล่าเหมือนกัน เมื่อสเดือนก่อนมีเจ้าหน้าที่พันธ์สัตว์ป่าต้องการจะเข้าไปสำรวจป่าแถบภูพรานแต่หาในพรานไม่ได้จึงมาถามไถ่าทางตำบลเราเล่นดีความที่ข้าชอบเที่ยวปา่าและพอรู้และชำนาญป่าแถบนี้ข้าจึงได้ขันอาสาพาเจ้าหน้าที่เข้าไปพร้อมพลทหารอีกหานายก่อนเข้าปา่าข้าก็ได้ทําการเปิดป่าขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาว่าขามาเพื่อทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพืชพันธ์สัตว์ป่าหลังจากทีคณะของข้าและเจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ป่าได้สมวัน จนสเสบีย์เริ่มจะหมดขณะนั้นพนทหารได้ไปยิงดูดหมูป่ามาก็พอได้ประทังชีวิตเราต่อไปแต่พวกเจ้าหน้าที่กลับไม่กินเขาบอกว่าเขามาทํางานเกี่ยวกับสัตว์ป่าจะให้มากินสัตว์ป่าได้อย่างไรคําพูดทําน้องก็เหมือนไม่เคยพอใจผู้ฆ่ารู้สึกอย่งไงไม่รู้หลังจากผ่านคืนนั้นไปรุ่งเช้าเราก็เดินทางไปตามจุดต่างๆให้เจ้าหน้าที่บันทึกงานของเขาจนเวลาล่วงไปถึงบ่ายแก่ๆเรากำลังจะหาที่พักกัน ขณะนั้นข้าก็ได้ไปสังเกตเห็นความผิดปกติทางด้านหลังของพนทหารที่นั่งอยู่บนขอนไม้มันเหมือนมีตัวอะไรดำๆแอบซุ่มอยู่เมทันจะกระพริบตาร่างดำใหญ่โตพุ่งออกมาจากกอไม้แล้วก็เมทันจะต่างตัวเหมือนกันพนทหารหันหลังไปเผชิญหน้ามันถูพุ่งเข้าใส่บริเวณหน้าอกและหัวไหล่กระเด็นออกมาไกลหลังจากนั้นก็เข้าหาพนทหารอีกคนที่กำลังนอนพักและลุกขึ้นหนีไม่ทันโดนมันพุ่งใส่บริเวณชายโครงกระเด็นแนหนิ่งไปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก จากนั้นทุกคนต่างกระดมยิงปืน M16 อาวุธสงครามประจํากายทหารที่มีเสียงดังแชะแชะแชะปืนทุกกระบอกยิงไม่ออกและไอเจตัวนั้นมันก็ได้พุ่งไปหานายทหารคนที่3านายทหารหนายนี้พยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่พ้นจึงโดนเข้าบริเวณขาขวาหาักทันทีหลังจากนั้นมันก็ได้เบนเป้าเข้ามาหาข่าข้าห็นหน้าของมันตาิสีใสเกือบจะแดงเขี้ยวงงเป็นรูปพระจันทร์หมูป่าโทนตัวขนาดลูกวัวพุ่งเข้าใส่ข่า ข้าพยายามเหนี่ยวไกปืนแต่ไม่เป็นผลต้องโยนปืนทิ้งเอามือมาป้องกัน ร, รับการกระแทกจากการพุ่งเข้ามาของมันและสภาพข้าก็เป็นอย่างที่พวกเองได้เห็นแต่มันก็มีเรื่องแปลกที่ว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารอีกสองนายมันกลับไป่ทำอันตรายอะไรกลับยืนมองและก็วิ่งหายไปเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางคนก็ปีนขึ้นต้นไม้บางคนก็ตเตลิดวิ่งป่าราบต่างคนต่างก็กลัวพนทหารอีกสองคนพอรู้ตัวปืนตัวเองยิงไม่ออกก็ทิ้งปืนและวิ่งกระจาย ทิงผักข่าซะอย่างนั้นหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการขอความช่วยเหลือไปทางจังหวัดเขาจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพาพักข่าออกมาและจากเหตุการณ์นั้นข้าก็หลับไปเกือบหนึ่งอาทิตย์พลทหารที่โดนอาการก็สาหัสกันหมดทุกคนแต่แพร่ไดีฟังจึงพูดขึ้นว่าหมูตัวนี้เขี่ยวตันแน่นอนเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีกันทุกตัวตัวใดที่มีถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญแต่เป็นบุญที่ไม่ถึงที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ บุญเหล่านั้นจึงส่งผลให้มันได้ของวิเศษติดตัวไปคุ้มภัยลุงแก้วได้ฟังก็ตอบว่าใช่ข้าเคยได้ยินมาเหมือนกันเอ็งมีความรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอนัสรเลแซกขึ้นว่าพ่อผมกับลุงทิศ ช, ชอบเที่ยวป่าเหมือนกันครับแถบขนกันและจังหวัดใกล้ๆแกห ล, ลับตาเดินยังได้ตาผมเลยบอกว่าเอ็งก็ว่าไปนูน่นจากนั้นวงสนทนาจึงเต็มไปด้วยเสิยงหัวเราะและลุงแก้วแกก็ยังเสริมขึ้นมาอีกว่าอีกสองวันจะมีจมรทีรักษาพันธุ์พืชจะเข้าไปสำรวจ ข้รับปากอาสาพาเขาไปพวกเองสองคนรีบไหมถ้ามารีบกลับขอนแก่นจะได้ชวนไปด้วยกันหน่อยตาผมเลยบอกว่าพวกเราไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเลยลุงแก้วแกก็ตอบว่าไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเดี๋ยวข้าจัดการเองเรื่องอาวุธไม่ต้องห่วงอยากได้แบบไหนบอกและแนสันแกก็ยังเสริมว่าไม่ต้องห่วงเลยลุงทิศบ้านลุงแก้วมีตั้งแต่ปืนสั้นยันปืนหัวปลีและเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นอีกและมันถึงเวลานัดหมายอีกสองวันต่อมาตาผมกับตาแพร่พร้อมด้วยลุงแก้ว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้าคนลูกหาบห้าคนและพลทหารอีกสองนายรวม15คนพอดีจึงได้ออกเดินทางกันระหว่างทางแต่แพร่ก็พูดว่าอยากให้เจอไอ้หมูตัว น, นั้นจริงๆข้าจะสันโวให้ดูปืนดีๆแบบนี้เจ๋อมากตาผมแกก็เลยบอกว่ามึงก็รู้ไม่ใช่หรือแพร่ว่าถ้าหมูเขี้ยวตันยิงยังไงก็ไม่ตายต่อให้มึงใช้อาคมยิงมันตายแต่เขี้ยวมันก็จะมีความขลังไม่เท่าไรต่างจากที่ปล่อยให้มันตายเองป่วยตายหรือแก่ตายถ้าแบบนี้เขี้ยวมันจะเข้มขลังมากๆ แต่แพร่เลยตอบแกว่ารอมันตายเองแล้วเมื่อไหร่ละวะแล้วลถ้ามันตายใครจะไปรู้เกิดมันอยู่20ปี10ปีกูต้องเดินตามติดชีวิตมันเลยใช่ไหมและตาผมแกก็บอกว่าของพวกนี้หากเรา ม, มีบุญทิ์เป็นเจ้าของมันก็จะมาหาเราเองหรือไม่ก็โดนจิตโดนใจเราให้ไปเจอเองจากนั้นการสนทนาก็จบลงณเวลานั้นทั้งตาผมและตาแพร่อยู่ในป่าแถบภูผานเป็นเวลา2วันแล้วพอเช้าวันที่3าลุงแก้วจเอ่ยขึ้นว่า ข้างหน้ามีดินโป่งอยู่แวะไปนั่งห้างกันไหมห่างจากนี่ไปประมาณกิโลเดียวเองเดี๋ยวให้พวกเจ้าหน้าที่เขาทํางานกันตรงนี้เพราะเขาจะต้องเก็บตัวอย่างและข้อมูลตรงจุดนี้อีกนอนและคงจะต้องพักที่จุดนี้เดี๋ยวเราแยกกันไปนั่งห้างทั้งตาผมและตาแพร่ก็เห็นด้วยจากนั้นลุงแก้วก็ได้เดินไปเจราจากับเจ้าหน้าที่พร้อมกับสั่งพลทหารให้อยู่ดูแลความปลอดภัยเพื่เดี๋ยวเช้าจะกลับมาหลังจากนั้นตาผมตาแพร่และลุงแก้วก็ได้ไปทําห้างขึ้นในบริเวณโปง่ง ตาผมได้เดินสำรวจดินก็ปรากฏว่าแกเห็นรอยเท้าขนาดเกือบสองฝ่ามือคนเป็นรอยของหมูแกคิดว่าอาจจะเป็นตัวนั้นที่ลุงแก้วเจอก็ได้แต่แกก็ไม่ได้บอกใครและเมืองตะวันคล้อยต่ำลงเรื่อยๆความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุมผืนป่าทุกคนประจําการอยู่บนห้างนั่งรอและก็ซึมซับไปกับบรรยากาศของป่าจนเวลาล่วงมาจนถึงตีสองประสาทสัมผัสของทุกคนก็ได้ตื่นขึ้นพร้อมกันเมื่อดีินเสียงฝีเท้าย่าอยู่ในบริเวณโปง่ง พร้อมกั น, นั้นสายตาทุกคนก็มองไปตามเสียงที่ดังมาภาพที่ปรากฏก็คือหมูป่าขนาดใหญ่มากกําลังกินโปง่งขนาดของมันทําให้ตาผมและตาแพร่เกิดความตะลึงลุงแก้วจึงเอ่ยขึ้นเบาๆว่าไอ้นี่แหละใช่เลยตาแพร่ไม่รอช้าว่าคาถาพึมพํากดไกปืนลูกสองดังสนั่นปา่าปังสิ้นเสียงนั้นผลปรากฏว่าไอ้หมูตัวนั้นเดินไปที่ต้นไม้แล้ะเอาหลังถูกับต้นไม้เหมือนแค่ว่าคันๆแล้วมันก็ไม่ได้หนีไปไหน เดินกลับมากินดินป่งต่อไปทำเฉยเฉยเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นลุงแก้วได้เห็นแกจึงได้หยิบ M16 ขึ้นมายิงแชะแชะแชะนั่นคือเสียงของมันตาผมจึงได้บอกแกว่าพอเธอไม่มีประโยชน์หรอกยิงมันไม่เข้ารอกสรุปก็คือทุกคนต่างก็หยุดแล้วก็ได้แต่นั่งมองมันจนมันเดินจากไปจากการสังเกตตาผมบอกว่ามันไม่เกรงกลัวคนเลยแม้แต่นิดเดียวตัวของมันก็ใหญ่ขนาดลูกวัวสีน้ำตาลปนดำโดยธรรมชาติของหมูนั้นหากว่าตัวใหญ่มากๆ แรงเดินของมันก็มักจะไม่มีแต่ไอหมูตัวนี้มันแปลกมันกลับว่องไวข็งแรงเดินปราดเรียวมากและพอรุ่งเช้ามาถึงทุกคนก็ออกเดินทางกลับไปที่แคมป์ของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีคําถามจากคนเหล่านั้นว่าได้ยินเสียงปืนยิงอะไรกันเร้อลุงแก้วแก่ก็บอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกพอดีเห็นเสือแวบๆก็เลยยิงขู่ไปพอเจ้าหน้าที่กับลูกหาบได้ยินต่างก็ตกใจว่ามีเสือและก็เกรงว่าแถบนี้คงจะไม่ปลอดภยัยจากนั้นเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ได้ตั้งหน้าตัาง้งตาทาภารกิจจนเสร็จ กินเวลาทั้งหมด5วันลุงแก้วจึงได้บอกให้พลทหารพร้อมลูกหาพาเจ้าหน้าที่ออกไปจากป่าก่อนส่วนลุงแก้วและตาผมพร้อมตาแพร่จะเที่ยวป่ากันต่อและหลังจากที่จัดเตรียมของที่จําเป็นแล้วก็ได้แยกย้ายกันลุงแก้วแกได้นําทางเข้าไปในป่าลึกมากยิ่งขึ้นจุดประสงค์ก็คือพาเที่ยวชมธรรมชาติต่างๆเพราะตาผมและตาแพร่มพรมไม่เคยเที่ยวป่านี้ป่าแถบภูพานยังอุดมสมบูรณ์มากในสมัยนั้นสัตว์ป่ามีมากมายพร้อมกับพืชพันธุ์สมุนไพรานานาชนิด เมื่อเดินชมธรรมชาติกันได้ถึงช่วงบ่ายแล้วก็ได้พบกับพระธุดงค์ปักกรดทาสมาธิอยู่หลุงแก้วจึงได้บอกทุกคนให้ค่อยๆเข้าไปเงียบๆแต่พระท่านกลับทักว่ามาแล้วหรือโยมอัตมานั่งรอตั้งนานขณะที่พูดนั้นท่านก็หลับตาอยู่พอท่านลืมตาท่านก็เอ่ยต่อว่าโจมเข้ามาทําอะไรกันหลุงแก้วแก่ก็เลยตอบว่าโอ้พาเจ้าหน้าที่มาทํางานครับแล้วผมผมก็มาเที่ยวป่ากันต่อพระท่านก็บอกว่า โยมเข้าป่าสัจจะเป็นสิ่งสําคัญนะหากรักษาไม่ได้ก็จะแย่ในโยมคําพูดของท่านทําให้ตาผมและแตลาแพร่ต่างก็งงท่านก็เอ่ยต่อว่าการที่โยมเป็นแบบนี้ก็พระโยมไม่รักษาสัจจะโยมเข้าป่าคราวก่อนโยมบอกเจ้าป่าว่าอย่างไรลุงแก้วนิ่งเงียบสักครู่ก็ตอบว่าเข้าป่ามาทํางานครับพระท่านก็พูดว่าและพวกโยมยิงสัตว์ทําไมคําพูดของพระทําให้ลุงแก้วหน้าซีดไปทันทีและตอบกลับว่า ใช่ครับลูกน้องทหารของกระผมไปยิงลูกหมูป่ามาทําอาหารประทังชีวิตครับแต่เขาไม่ได้ขอเจ้าป่าและตอนเปิดป่าผมก็ไม่ได้บอกกล่าวท่านด้วยครับพระท่านก็บอกว่าดีในโยมที่เขาไม่เอาโยมถึงตายต่อไปเข้าป่าเข้าดงสัจจะสําคัญนะแล้วหมูป่าที่โยมหวังจะไปทําลายเขาโยมหยุดซะคําพูดพระทําให้ลุงแก้วถึงกับสะดุ้งและเหงื่อแตกจนตัวแกต้องยอมรับว่าที่เดินเที่ยวป่ามาก็เพราะอยากจะฆ่าหมูตัวนั้น พระท่านจึงได้บอกต่อว่าอัตมาได้สื่อสารกับหมูเขาได้บอกอัตมาว่าให้ท่านทั้งสเดินทางไปทางทิศตะวันตกหา ต, นต้นตะเคียนใหญ่ให้ดูที่โคนต้นแล้วจะพบกับสิ่งสิ่งหนึ่งวันนั้นหลังจากได้สนทนากับพระกันแล้วตาผมและทุกคนก็ได้นอนใกล้ๆกับพระธุดงค์แต่พอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาพระท่านกลับหายไปไม่มีร่องรอยแม้แต่นิดเดียวทุกคนได้แต่มองหน้ากันและก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจจากนั้นจึงได้ออกเดินทางไปตามที่ที่พระท่านบอก และเมื่อเดินทางไปก็ได้พบกับต้นตะขียนขนาดใหญ่3ามคนโอกนัตตรุงโคนต้นนั้นมีเขี้ยวหมูขนาดใหญ่สองเขี้ยวปักอยู่ที่โคนต้นหลุงแก้วจึงรีบดึงออกมาพบว่าเป็นเขี้ยวตันตาผมคิดว่าเขี้ยวนี้คงมีเขี้ยวของหมูป่าตัวนั้นที่แทงให้เขี้ยวหักขาไว้ปัจจุบันเขี้ยวสองเขี้ยวนั้นอยู่ที่ตาผมและตาแพร่คนละเขี้ยวพระหลวงแก้วแกไม่เอาถือว่ามอบให้เป็นของที่ระลึกและหลังจากที่ได้เขี้ยวแล้วตอนเดินทางกลับตาผมและตาแพร่พร้อมหลุงแก้ว ก็มีอันต้องได้พบกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันเริ่มต้นก็ตรงที่ลุงแก้วพาหลงกว่าจะกลับเข้าเส้นทางเดิมได้ก็เล่นเซย์เยนจึงต้องหาต้นไม้ทําห้างกันก่อนเพื่อพักแรมหลังจากที่รีบทําห้างกันเสร็จแล้วแต่แพร่ก็เอ่ยขึ้นว่าทํามีสุราสักสองกึบนี่ก็ดีเลยลุงแก้วแกก็ตอบว่าเออข้าพอมีอยู่หลังจากนั้นลุงแก้วก็แจกจ่ายกันคนละสองทีพอให้เลื่อนลมมันได้สูบฉีดและลุงแก้วแกวก็เอ่ยขึ้นว่าค้านาไบใส่พรานข้าก็เป็นคนที่ชอบเขาาาปป่เดิน ไปพรานมืออาชีพแบบปลุกเองวันนี้ที่ทําให้หลงก็ต้องขอโทษทีตาผมแกก็ว่าไม่เป็นไรครับใครเดินป่าไม่หลงไม่มีหรอกครับผมกัไอ้พร่าหลงกันมาเป็น 10- บยครั้งแล้วอย่าคิดมากครับจากนั้นทุกคนก็ขึ้นห้างกันและเมื่อฟ้ามืดลงเหตุการณ์แปลกๆก็ไม่เยืนคืนนั้นตาผมสังเกตว่าบรรยากาศของป่ารอบตัวนั้นมันเงียบสงัดมากชนิดว่างเงียบจนผิดปกติตาผมเลยหันไปถามลุงแก้วว่าป่าแถบนี้มันมีประวัติอะไรไหม ลุงแก้วก็ตอบว่าก็มีนะแต่ข้าไม่ได้สนใจอะไรเห็นชาวบ้านเขาลือกันเพราะข้าเที่ยวป่าบ่อยก็ไม่เคยเจออะไรสักทีเพิ่งจะมาเจอก็ไอหมูที่ยิงมีเขาวนี่แหละสิ้นเสียจากการสนทนากันป่า น, นั้นก็กลับมาเงียบอีกทั้งตาผมได้แต่แพ้วนั้นมองตา ก, กันก็รู้ดีว่าคืนนี้ต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนแต่แพรวก็หันไปบอกลุงแก้วว่าถ้ามีอะไรผิดปกติก็จะพึ่งตกใจนะลุงให้ใจเย็นๆลุงแก้วแกก็ตอบรับ หลังจากที่นั่งเงียบกับบรรยากาศอันเงียบอึดอัดนั้นเองไม่มีแม้เสียงจิ้งรีเรไรเสียงนกระวังไพรก็ไม่มีจนเวลาเก้าล่วงถึงตีหนึ่งจู่ๆก็มีเสียงบางอย่างหวีดขึ้นมาจนแสบแก้วหูเสียงนั้นมันดังร่งมมาจากทุกสารทิศ ต, ตาผมได้สติลั่นปืนขึ้นฟ้าปังเงียบเสียงวีดนั้นหายไปแต่แพร่จะเอ่ยขึ้นว่ามันจะเอาเราแล้วลวงแก้วแก่ก็พูดขึ้นว่าเคยได้ยินชาวบ้านพูดถึงเหมือนกันว่าเคยมีคนเจอแบบนี้มันคือโป่งข้าง ข้าไม่คิดเลยว่ามันจะมีจริงตาผมและแตลาแพร่ต่างรู้กันดีว่ามันคืออะไรสักพักหนึ่งต้นไม้รอบๆกลับมีการสั่นไหวเหมือนมีตัวอะไรกําลังโดดไปมาบรรยากาศรอบตัวชนบุญสับสนวุ่นวายและแตลาแพร่ก็ได้สะ ก, กิที่ตาผมดูต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งถัดจากต้นที่ขัดห้างไประยะหนึ่งสิ่งที่ปรากฏกับสายตาก็คือข้างใหญ่ตัวแดงกล่ํายืนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่เสแยะยิ้มให้พร้อมกับเขี้ยวของมันตาผมไม่รอช้าลั่นกระสุนทันที ทั้ง3คนยิงไปคนละสองนัด3มนัดสิ้นเสียงปืนไอตัวประหลาดนั้นก็ได้หายไปแล้วเสียงบีดก็ดังขึ้นมากรึ่มปาอีกแต่แพรบอกว่าเราต้องเดินทางตอนนี้คืนอยู่นี่รับรองไม่รอดตาผมจึงบอกว่าเดินทางกลางคืนไม่ได้เด็ดขาดแต่พแพรแกก็ตอบมาว่าก็รู้แต่นาทีนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันและจากการปรึกษากันตาผมจึงคิดว่าไปตายเอวดาบหน้าดีกว่ายิ่งดีกว่าตายอยู่ตรงนี้เสียงวีดร้องรอบข้างยังคงดังลุงแก้วสายกระสุน M16 ออกไป และจากนั้นสิงก็เงียบหายไปทุกคนจึงได้รีบลงจากห้างเดินทางด้วยไฟฉายสองอันทิ้งของที่ไม่จําเป็นไว้บนห้างต่างคนต่างรีบเดินล้มลุกคลุกคลานเพราะความมืดเดินไปจนพบลานดินกว้างเป็นป่าโล่งแสงจันทเดินหายส่องลงมาพอให้ได้เห็นใบหน้าและตาผมก็ได้เห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งจึงได้พากันเข้าไปหลบอยู่ตรงนั้นระหว่างนั้นจูๆ่ๆเสียงหวีดก็ดังขึ้นมาอีกสิยงมันดังมาจากทางที่เขาเพิ่งเดินกันมาเพ่งตามองไปทางเสียงนั้นก็เห็นเป็นตาสีแดงประมาณ4ี่คู่ ทันใดนั้นมันก็ค่อยๆเดินออกมาท่ามกลางแสงจันทร์ตัวตรงสูงใหญ่ประมาณ2เมตรรูปร่างทุกอย่างเหมือนข้างหมดเดินออกมา1ตัวแล้วก็วิ่งมาทางที่ทุกคนแอบอยู่แต่แพรวไม่รอช้าส่ายกระสุนไปสองนัดติดปังปังมันล้มลงแล้วก็ตะเกียกตะกายวิ่งหายไปขณะนั้นลุงแก้วอยู่ในอาการหวาดกลัวมากตาผมจึงบอกว่าต้องตามไปซ้ำมันแต่แต่แพรวห้ามไวใ้ให้เราดูสถานการณ์ต่อไปสักครู่หนึ่งตาผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัว พอ ร, รู้สึกเหมือนมีใครมาจับที่ขาพอหันไปดูก็เห็นในตัวประหลาดนั้นแกเหนี่ยวไกลทันทีแชะปรากฏไม่ญิงไม่ออกแล้วก็ปั้งเสียงปืนของตะแพร่ยิงระยะประชิดแสกหน้าตัวประหลาดกระเด็นไปหลายเมตรด้วยแรงของกระสุนล้มลงทันทีจากนั้นเสียงวีดก็ดังเรินงมขึ้นมาอีกพร้อมกับเสียงเดินของเจ้าผู้ตัวประหลาดเหมือนว่ามันกําลังเดินอยู่ที่ชายป่าที่พวกตาของผมวิ่งออกมาจากนั้นลุงแก้ปก็ดียิงปืนขึ้นฝ้าอีกหนึ่งนัดเสียงทุกอย่างจึงเงียบลง ทุกคนนั่งนิ่งๆรอจนเช้าและเมื่อแสงของรุ่งอรุณส่องขึ้นทุกคนจึงได้เดินเข้าไปดูศพของเจ้าตัวประหลาดนั้นพบว่ามันเป็นศพข้างแต่ตัวผอมแห้งแทบเหลือแต่กระดูกหน้าแปลกที่ศพมันแห้งเหมือนกับตายมาหลายวันหน้ามันเละเทะจากอนุภาพของกระสุนของตะแพร่และเหตุที่ตะแพร่ยิงปืนนัด น, นั้นออกก็เพราะว่าแกได้ว่ากระถาเหมือนตอนยิงหมูป่าาไว้จึงได้ยิงมันได้ซึ่งต่างจากปืนของตาผมที่ยิงไม่ออก เพราะอาถรรพบารมีอำนาจของโป่งข้างหลังจากรอดและปลอดภัยกันแล้วทุกคนจึงได้รีบกลับไปเก็บของที่ห้างแล้วก็รีบเดินทางกลับออกจากป่าและนี่ก็คือเรื่องราวของตาผมกับเพื่อนของท่านนะครับก็หวังว่าจะทําให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านมีความสุขไม่มากก็ น, น้อยนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แลขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอปลากับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ส่งเรื่องราวมาให้ได้ถ่ายทอดนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ